ขอนอบน้อมพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบครูบาอาจารย์แล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์หลวงปู่กลมอาจารย์โนธแล้วก็พันเต ร, รวมถึงพิสุแล้วก็จเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนก็ในรอบไม่กี่วันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาสองครั้งเนาะวันก่อนก็ทางโยมที่ ไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้อยู่ด้วยจริงๆยังไม่ถึงโอกาสเท่าไหร่ที่จะแสดงธรรมเนาะเอาเป็นว่าเราเรามาพูดคุยกันในในหลักปกติที่เราพอจะรู้กันได้ก็แล้วกันเนาะก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเราก็ได้ยินได้ฟังกันโดยเฉพาะผู้ที่มาปฏิบัติที่วัดป่าสุกัโตนะขาประจาเนี่ยก็จะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าที่นี่เขาสอนอะไรกัน ส่วนคนอื่นๆซึ่งอาจจะยัง่าไม่เคยได้มาอาจจะมาเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าทางสื่อเนาะเดี๋ยวนี้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีธรรมะมากมายก็พอจะทราบแล้วว่าที่วัดป่าสุกัสโตเนี่ยเขาสอนกันแบบไหนนะเพราะงั้นเพื่อวันนี้ก็เราจะได้พูดซ้ําเรื่องเดิมก็คือว่าที่วัดป่าสุกัสโตเนี่ยเราเน้นกันเรื่องของความรู้สึกตัว เน้นกันตรงนี้จริงๆเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นหัวใจเป็นหัวใจของธรรมะเลยอเป็นเป็นทางทางเดียวซึ่งเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องสติปัฏฐานใช่ไหมออสติปัฏฐานสี่ไตเวทนาจิตธรรมทีนี้ว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ที่จะไปเจริญสติปัฏฐานสี่ได้ เพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและก็ถึงที่สุดลองพูดกันอย่างง่ายๆก็คือว่าเ อ, อในเบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่มีความรู้สึกตัวคือเราลืมอะลืมตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลืมตัวแล้วเนี่ยอย่าพูดถึงเรื่องปฏิการปฏิบัติธรรมเลยแม้กระทั่งเรื่องของทางโลกโลกเนี่ยเช่นเราลืมเราลืมนู่นลืมนี่ใช่ไหมเช่นลืมปิดประตูบ้านลืมปิดแก๊สลืมล็อกประตูรถอ่อันนี้ยเป็นเรื่องของโลกโลกเนี่ย แค่เราลืมเนี่ยนั่นหมายความว่าผลเสียหายก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แล้วนะแต่ถ้าเราระลึกได้เช่นเราลืมอะไรไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ระลึกได้อย่างนี้ก็โอเคสำเร็จผลประโยชน์แล้วใช่ไหมหรือว่าถ้าเราไม่ลืมเลยเช่นเราปิดแก๊สเนี่ยเราทําปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเลยอย่างนี้มันก็สมประโยชน์แล้วเพราะว่าเราไม่ลืมทีนี้เรื่องของการเจริญสติปักฐานเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยที่เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกมาที่กายกับที่ใจเท่านั้นนะเพราะว่าในเรื่องของธรรมะเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขจะไม่ทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่กายที่ใจใช่ไแต่ถ้าหากว่าเราเราไม่รู้สึกที่ตัวเท่ากับว่าก็เราคือลืมตัวมีตัวอยู่มีกายอยู่มีใจอยู่แต่ระลึกไม่ได้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะเมื่อระลึกไม่ได้ ไห น, นเลยที่เราจะรู้ว่าในกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างไห น, นเลยว่าในใจมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดเลยก็คือเป็นหลงหลงร้อยเปอร์เซ็นะเพราะนั้นสูตรสำเร็จที่เราจะต้องปฏิบัติกันให้ได้เนาะตามสูตรสติมหาปักฐาเออตามสูตรสติปักฐาสูตรเนี่ยก็คือต้องมีสติรู้สึกตัวกลับมารู้ที่ตัวนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ย เป็นจิตที่หลงนะเป็นจิตที่หลงหลงก็คือไม่รู้มาที่ตัวไม่รู้มาที่ใจหลงไปทางไหนบ้างก็ครูบาอาจารย์ก็พูดกันให้ฟังบ่อยๆหลงไปทางตาใช่ไหเรามีตาก็คือหลงไปมองนะเห็นอะไรก็มองชอบมองนะมองแล้วก็คิดนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะหรือว่าบางทีหลงไปทางหูก็คือเอาหูไปฟังนะ ไปฟังเสียงข้างนอกออืว่าเป็นเสียงอะไรเสียงยังไงฟังแล้วก็คิดไปนะนะเรื่องฟังแล้วก็คิดไปเนี่ยเรื่องคิดเนี่ยจริงๆมันก็หลงทางใจนะแต่ว่าจะไล่ไปทีละทวารหลงไปทางหูหลงไปทางตาหลงไปทางกลิ่นก็คือจมูกรู้กลิ่นแล้วก็ไปหลงว่าเอออันนี้กลิ่นเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหอกลิ่นมันก็อยู่ข้างนอกตัวหลงไปทางการกระทบสัมผัส เช่นสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มอะไรเงี้ยก็ไปชอบออวัตถุเช่นนอนที่นอนดีๆอย่างเงี้ยมันนุ่มอ้าวก็หลงไปกับที่นอนอีกแล้วหรือหลงไปความสบายทางที่มันกระทบทางทางกายใช่ไหมเช่นความสบายไม่เย็นไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยก็หลงออกไปนะไปหลงกับดินฟ้าอากาศว่าเออวันนี้อากาศดีอย่าง น, น้้นอย่างนี้นั่นก็ส่งส่งจิตไปออกนอกก็คือไปหลงข้างนอก ส่วนหลงธรรมอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละนะซึ่งอารมณ์ทางจิตใจเนี่ยก็มีมากมายนะอารมณ์รักอารมณ์เกลียดนะอารมณ์โกรธโมโหอะไ ร, ระมาณอย่างเงี้ยแต่ทีนี้จริงๆอารมณ์พวกนี้มันเกิดที่ใจแต่เราไม่รู้ที่ใจเราไปรู้สิ่งที่มาเราไปรู้สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางใจเช่น สมมุติว่าเราได้พูดได้คุยกับใครสักคนหนึ่งเนาะพอเขาพูดดีกับเราอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าอือคนนี้พูดดีก็เกิดชอบขึ้นมาจริงๆความชอบเนี่ยนะมันเกิดอยู่ที่ใจแท้ๆเลยเนี่ยนะแต่เราไม่รู้ใจของเราแต่เราไปรู้ว่าไอาคนนั้นอะ่ะเขาพูดดีเออพูดแล้วน่ารักเราก็เลยไปชอบคนนั้นขึ้นมาการชอบเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจเนาะ หรือว่าอารมณ์ที่ไม่ชอบอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ทางใจแต่เราก็หลงไปหลงไปกับสิ่งที่เป็นเหตุทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมานะพอหลงอย่างนี้เสร็จแล้วถ้ากับว่าเราไม่ได้ดูตัวเองเลยนะหรือว่าความคิดเนี่ยซึ่งเป็นตัวร้ายกาศมากความคิดหลงทางความคิดคือไปเรื่องไปรู้เรื่องที่คิดไปคิดอะไรรู้หมดเลยคิดถึงคนนั้นคนนั้นเป็นอย่างน้นอย่างนี้นะ ออรู้ไปหมดเลยหรือว่ารู้ไปเรื่องของทางสังคมว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้ไปหมดแต่จริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันอยู่นอกตัวซึ่งมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องของสมมุตินะเป็นเรื่องของชื่อเป็นเรื่องของความหมายแต่โดยแท้จริงแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยมันเกิดในใจเราแท้ๆเนี่ยนะความคิดเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยว่าเอา้าตอนนี้จิตมันกำลังคิดอยู่ใช่จิตมันกำลังคิดอยู่แต่ไม่รู้ เช่นเราอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนเราฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นอดีตเนาะเราก็เล่าเรื่องว่าเมื่อปีนั้นปีนี้เนี่ยตอนนี้กําลังคิดแล้วละ่ะคือมันจําได้เหตุการณ์ในอดีตแล้วก็กําลังเล่าอยู่ว่าเออเมื่อปีนั้นปีนี้เราเคยไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาเล่าด้วยความเมามันมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาระหว่างที่เราเล่าเนี่ยผู้เล่าเองก็ส่งจิตไปออกนอกส่งไปรู้เรื่องอะไรก็ส่งไปตามสถานที่ต่างๆที่กําลังเล่าเรื่องอยู่ แต่ไม่ได้ฉเฉลียวใจเลยว่าขณะเนี้ยจิตเนี่ยมันกําลังคิดอยู่ตัวคิดมันอยู่ข้างในตัวคิดนะแต่ตัวเรื่องราวเนี่ยมันประกอบกันหลายๆประโยคหลายๆพยางค์ก็เป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็บง่งบอกถึงสถานที่ใช่ไหมพอผู้ผู้เล่าเล่าแบบนี้เสร็จแล้วจิตก็ออกนอกเช่นเราเล่าเรื่องกรุงเทพอย่างสมมติตอนนี้นะอาตมาจะเล่าเรื่องอะไรสักสักเรื่องหนึ่งโยมลองพิจารณาดูว่าสมัยที่อาตมาที่อยู่ในกรุงเทพนี่นะเออ ซึ่งไม่นานมาเนี้ยนะก็ปรากฏว่ามีรถแท็กซี่มากมายนะรถแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งเขียวเหลืองเขียวเหลืองอ่าอยู่ในคันเดียวกันแล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าเออเป็นสากรหรืออะไรเนี้ยหรือเป็นรถสีชมพูขาวอ่าใช่ไหมเออเนี่ยหรือว่าเป็นรถสีอะไรก็แล้วแต่มากมายเนี้ยพออาตมาเล่าอย่างเนี้ยจิตผู้เล่าเองเนี่ยก็นู่นส่งไปไหน ส่งไปกรุงเทพผู้ฟังเองก็ไปไหนก็ไปกรุงเทพเหมือนกันตัวนั่งอยู่นี่นูน่นใจไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปสร้างรถขึ้นมาตามสีที่หูได้ยินใช่ไหมเนี่ยคือเวลามันคิดปั๊บเนี่ยจิตจะส่งออกแล้วส่งออกก็คือคิดเรื่องอะไรมันก็จะส่งออกไปที่นั่นแต่จริงๆตัวต้นคิดจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ในใจของเราเราไม่รู้สึกตัวว่าเอา้ากําลังคิดเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้สึกตัวมันก็จะหลงกับความคิดนะ จิตส่งออกแต่ถ้ารู้สึกตัวมันเห็นเลยว่าเอา้ากําลังคิดอยู่แล้วก็ถ้ามีกําลังสติมากเนี่ยมันจะขาดไปเลยเรื่องที่คิดเนี่ยมันจะขาดสะบั้นไปเลยมันต่อไม่ติดแล้วจะรู้ด้วยใจผู้ปฏิบัติเองว่าเอา้าเห็นเลยเมื่อรู้สึกตัวความคิดขาดสะบั้นลงขณะหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันก็คิดใหม่แล้วก็เห็นใหม่เดี๋ยวมันก็คิดใหม่แล้วก็เห็นใหม่นี่คือการมีสตินะเราปฏิบัติทำเราไม่ได้ห้ามความคิด แต่ความคิดเนี่ยมันจะทํางานไปเรื่อยแหละทางานไปเรื่อยเรืยเืยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเรื่องการดูจิตก็คือนั่นหมายความว่าเราสามารถเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตนะซึ่งทางเนี่ยการดูจิตเนี่ยมันเป็นมรรคเลยตามที่ได้ฟังครูบาอาจารย์นะจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลจากจิตเห็นจิตก็คือนิโรธนะแต่ทีนี้เราเนี่ยเราเรียนเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยในเบื้องต้นนะอันนี้พูดถึงสําหรับเบื้องต้นก่อนว่า การปฏิบัติเบื้องต้นหากเราจะไปดูจิตเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเรื่องยากเพราะว่าจิตมันเป็นนามธรรมเนาะไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนยากที่จะรู้ที่จะเห็นมันได้จึงจําเป็นที่เราจะต้องฝึกให้มารู้กายก่อนเนาะเรามีกายอยู่แล้วนะมีกายอยู่แล้วกายก็คือเนี่ยส่วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นพูดหัวพูดไหล่พูดแขนพูดขาพูด พวกเอวพวกสะเออะไรต่างๆนี่นะเป็นเรื่องของกายนะแล้วกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าเจตนาทำให้มันเคลื่อนไหวขึ้นมาเบื้องต้นต้องเจตนาทำให้มันเคลื่อนไหวจริงๆกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาแล้วตั้งแต่เราเกิดนี่ยก่อนเกิดมันก็เคลื่อนเนาะเมื่อเกิดมาแล้วกายมันก็เคลื่อนไหวมีการเดินการนั่งการนอนการโู้การเหยียดนะการหายใจนี่โดยเฉพาะการหายใจเนี่ยไม่ว่า ใครจะเป็นอะไรก็ตามเอะยังตราบใดยังยังยังมีชีวิตอยู่เนาะการหายใจก็มีอยู่เพราะนั้นการหายใจก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วนะทีนี้แต่โดยถ้าเราไม่ฝึกนะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะรู้มันได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันลืมมันลืมสิ่งนี้มีอยู่แต่เราไม่ฝึกไม่เคยดูมันมันก็ลืมนะเมื่อมันก็ลืม ก็ไม่ต้องมาพูดเลยเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะมันลืมไปแล้วมันหลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นในเบื้องต้นก็คือฝึกให้รู้กายที่เคลื่อนไหวนะจะเอาส่วนไหนก็ได้ที่เป็นส่วนของกายนะเบื้องต้นคือเจตนาให้มันเคลื่อนไหวเอาไว้เจตนาเดินให้มันเคลื่อนไหวเอาไว้นะเจตนายกมื อ, อมให้มันเคลื่อนไหวเอาไว้เจตนาครึ่งนิ้วเจตนา หันไปข้างซ้ายเจตนาหันไปข้างขวาก็ได้จะก้มจะเงยก็ได้จะกกินน้ำลายก็ได้โยมลองกกินน้ำลายดูสิมันรู้ได้ไหมเกินครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งแล้วโยมหัดกลินดูกลินครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งแล้วโยมหัดกลินทีๆดูสิทำได้ไหมกกินที่ๆเกินเอากินเอาอ่ะเห็นไหม ซึ่งได้ไม่ได้เนี่ยใครรู้ละ่ะก็ผู้ปฏิบัติเองเนี่ยรู้เองว่าอ๋อมันเกินได้ก็รู้ว่าเกินได้เกินไม่ได้พยายามจะเกินมันก็ไม่ได้ก็รู้ว่ามันไม่ได้อะไรรู้ใครรู้เออใครรู้อะถ้าพูดภาษาที่เราพอจะเข้าใจง่ายๆก็คือใจรู้เอออย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเกินน้ําลายเนี่ยเป็นส่วนของกาย อ, อกายเกิน ใจไม่ใช่กลื่นด้วยแต่ใจมันไป ร, ไปรู้ไปรู้ว่ามันเกลื่อนนะฮเห็นไหมเกลื่นน้าลายก็อย่างหนึ่งเป็นกายรู้ก็อย่างหนึ่งเป็นใจนามะธรรมก็เป็นรูปเป็นนามอ่าเห็นไหมรูปนามมันก็ยากไหมไม่ยากกลื่นเป็นรูปก็ได้ครับรู้เป็นนามอ่าโยมกลื่นครั้งหนึ่งก็เห็นทั้งรูปทั้งนามแหละแหละถ้าเข้าใจแล้วอ่ะเนาะอือมาอมานี้ชอบฝึกมากเกลือ น, น้ําลายเราจะทําดูที่สั่งได้ไหมสั่งให้กลื่นได้ไหมอ๋อสั่งได้ แต่พอเรสั่งให้มันกลืนเร็วๆนี่โยมเอ้ยอยังไงก็ไม่ได้แล้วก็เคยฝึกการเดินเหมือนกันนะเขาบอกว่าจิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสั่งกายได้ถ้าฟังดีๆมันก็ถูกกนะันเนาะบางเรื่องสั่งได้สั่งให้กายทำอย่างโน้นอย่างนี้สั่งได้แต่บางเรื่องสั่งไม่ได้มันทำของมันเองทีนี้อาจจะมาก็ลองเล่นๆบางทีเวลาปฏิบัติธรรมนะมัน มันต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างเหมือนกันก็เป็นศิลปะเป็นเทคนิคไปนะเราก็เล่นของเราบ้างไม่ใช่ว่าจะเดินอย่างเดียวจะยกมืออย่างเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนอาตมาก็ลองลองสั่งให้มันเดินบอกเอาเดินีิกายเดินเอามันก็เดินเนาะเดินเดินเดินเดินบอกสั่งให้หยุดเออมันก็หยุดเดินสั่งได้แต่บางทีอาตมาเล่นอย่างนี้เลยบอกเอากายเดินแต่มันไม่เดินก็มีนะกายเดินก็ไปแต่มันไม่เดินก็เลยเอามันยังไงล่ะเนี่ย โยงลองหัดเล่นก็ได้เนี่ยอย่างโยมนั่งยกมืออยู่เนี่ยโยมสั่งให้ยกมือมันก็ยกใช่ไหมแล้วยอมก็ยกไปแล้วก็บอกหยุดสิหยุดสิแต่โยมอย่าหยุดเนี่ยเออมันก็สั่งได้เหมือนกันนะสั่งสั่งให้มันหยุดแต่ใครมันไม่หยุดก็มีเนี่ยอาตามาสั่งให้อาตามาหยุดพูดนะเอาหยุดพูดสิหยุดพูดสิทำไมมันไม่หยุดอ่ะมันก็มันทําได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเรียนรู้มันเล่นเล่นเฉยเฉยเพื่อแก้เป็นรีแลกหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพอพูดไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ย การฝึกสติให้มารู้กายอย่างที่บอกเบื้องแรกโยมต้องเจตนาทําให้มันเคลื่อนเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเอะ่ะยกมือเกินน้ําลายยักคิ้วอลองยักคิ้วดูยักคิ้วเนี่ยมันดีนะเกืนน้ําลายก็ดียักคิ้วก็ดีเพราะไหไรมันรู้เป็นขณะมันมันไม่เป็นคือเรียกว่ามันไม่เป็นสัน ต, ติคือมันไม่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เอยมันไม่ต่อเนื่องแบบเป็นเส้นตรงมันจะมีการหยุดมีการ เคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนอย่างเมื่อกี้ที่ทดสอบทดสอบเรื่องกลืนน้าลายใช่ไหมกลืนครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งแล้วก็พอกลืนไม่ได้มันก็รู้อีกนะทั้งทั้งที่มันกลืนไม่ได้มันก็รู้เพราะฉะนั้นตัวรู้เนี่ยมันจะรู้รอบก็หมายความว่ากลืนน้าลายกลืนเนี่ยมันก็รู้ไม่กลืนก็รู้เพราะมันมีสองอย่างกลืนกับไม่กลืนถูกไหมมันรู้รอบยังไงรู้รอบก็คือว่ากลืนก็รู้ไม่กลืนก็รู้อ่ยม ยักคิ้วดูก็ได้สั่งให้มันยักคิ้วดูกึ๊กกึกยักคิ้วครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งถูกไหมออ <laughs> ลองทําดูอยักคิ้วครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งแล้วก็ทําทีทีได้ไหมได้เนาะไม่เหมือนกับกลืนน้าลายคืนน้ํำลายมันได้ทีละครั้งแต่ยักคิ้วเนี่ยอแล้วยมสังเกตนะเวลายักคิ้วเนี่ยจิตไปรู้ใช่ไหมรู้ก็คือ รู้ถึงการขยับที่ที่ปลายคิว้วเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดได้เป็นประโยคเป็นประโยคนิดเดียวแต่ความเป็นจริงที่รู้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่เราพูดเวลายักคิ้วเนี่ยอึกอ๊กอึ๊สมมติโยมตั้งใจอยยักยักคิ้วข้างซ้ายใช่ไ้ยเอา้าแต่มันสะเทือนไปถึงข้างขวาด้วยรู้ได้ไ้ยก็รู้ได้อีกอเห็นไหมเราบอกยักคิว้วยกข้างเดียวเอา้ามันก็ตึงไปข้างขวามันก็รู้อีกเออ แล้วก็ทำทีๆมันก็รู้ยักคิ้วเนี่ยมันไม่ใช่รู้แค่นี้ทำไปมากๆมันจะรู้มากกว่านั้นอีกรู้อะไรเมื่อยเมื่อยมันเมื่อยอะ่ะเออเห็นไหมเมื่อยก็ไม่ใช่คิ้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กายนะความเมื่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในในกายอ่าเป็นความตึงความเมื่อยความอะไรเนี่ยถ้ายอมทำมากๆมันจะเกิดอะไรก็ไม่รู้ โยมไปทาเองเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวอาตมาเฉลยหมดโยมก็ได้ความรู้จากเราหมดเอาไปคุยให้เพื่อนฟังบอกโอ้ยรู้หมดแล้วไม่ต้องบอกหรอกยักคี้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่รู้หรอกไอ้ น, นั่นจำเข้ามาถ้าให้รู้จริงโยมจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็จะรู้เองเห็นเองนะสมัยก่อนตอนที่อาตมาไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็ปฏิบัติแนวนี้แหละฝึกสติกับการเคลื่อนไหว ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอ่าปฏิบัติไปเถอะอย่าไปได้สงสัยอะไรนะทําเองก็รู้เองทําเองก็รู้เองแล้วก็เมื่อมันเกิดความสงสัยเมื่อไหร่ให้วางลงไปก่อนอย่าไปคิดสงสัยเพราะว่าความสงสัยเนี่ยเป็นเครื่องกั้นทําให้เราเดินหน้าไม่ได้พอสงสัยอะไรมากมันคิดคิดคิดคิดใช้ไม่ได้อะต้องหยุดคิดให้รู้เอาอทีนี้เราก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์เพราะเราไม่รู้นี่ว่าปฏิบัติทํายังไงเนาะเราก็ต้องฟังไว้ก่อนแหละ ฟังเร็จสกูบาร์จางก็บอกเออปฏิบัติไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองไอ้คําว่ารู้เองนี่นาอรู้อะไรนะตั้นนั้นมันคนใหม่อ่ะนะเขาจะไปรู้หรือว่ารู้อะไรอ่ะมันก็บอกว่าก็ไปเดินไปยกมือเดี๋ยวก็รู้เองรู้อะไรเนี่ยยกมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นรู้อะไรเลยเดินครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นรู้อะไรเลยอย่างวันเนี้ยโยมปฏิบัติเข้าคอร์สอ่ะบางคนอาจจะเดินมาหนึ่งวันแล้วไม่เห็นรู้อะไรเลยอาจจะมีนะแต่ถ้าอาจจะมาบอก ก็จะเลยโยมอีกแล้วไม่เป็นความรู้ของโยมเพราะงั้นโยมก็ต้องไปรู้เองอย่างอาตมากําลังพูดตอนเนี้ยบอกให้รู้เองเนี่ยรู้อะไรรู้ไหมคิดก่อนเออรู้อะไรอ่ะถ้าไม่ต้องถ้าเราเข้าใจแล้วนะต่อไปเนี่ยเมื่อสติเราเร็วหรือเราได้ยินได้ฟังเนี่ยโอ้ยพอใครถามอะไรมันรู้เร็วรู้หมดแหละบอกอาตมากําลังพูดอะไรเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้อะไรไหม มงไม่เห็นรู้อะไรเลยก็เห็นพูดเป็นเรื่องเวลาขอเบิร์ตายสักนิดหนึ่งก็ยมได้ยินอยู่ใช่ไหมล่ะอาจะมาพูดเนี่ยได้ยินไหมเ อ, อ้ตอบเออใช่ได้ยินใครไม่ได้ยินมังอะ่ะไม่ได้ยินก็เรื่องของเขาไม่ได้ยินเนาะแต่เรื่องที่กำลังพูดเนี่ยที่กำลังเป็นปัจจุบันตอนนี้ก็คือสภาพการได้ยินนี่เอาเฉพาะเรื่องหูเรื่องเสียงเนาะยมได้ยินพูดปักได้ยินปุ๊บมันก็ทันทีอะ แล้วพอหยุดพูดได้ยินไหมได้ยินนะพอพูดได้ยินพอหยุดพูดก็ธรรมชาติเดิมๆมันก็คือก่อนที่เสียงจะเกิดก็คืออะไรอะ่ะก็คือไ ม, ไ, ไ, ไ, ม ไ, ม ไ, ไม่ได้ยินรู้ได้ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินรู้ได้เคยยกแตมาก็พูดไปเรื่อย่นะเออโยมก็ฟังไปแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวด้วยนะมันจะเข้าใจ เรื่องการตีละครังอ่ะอันนิดหนึ่งเมื่อตีละคังเป็นยังไงอ่ะก็มีเสียงดังใช่ไหมได้ยินแล้วถ้าไม่ตีมันมันเป็นยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงละคังก่อนตีมีไม่ ม, ไมีไม่ต้องถามจำไม่ได้แล้วสูตรนี้เอาเป็นว่าจริงๆถ้าเรามีสตินะพูดง่ายๆเลยมันจะรู้รอบของมันหมายความว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้ น, ม น, น, เ, นเมื่อสิ่งนี้ดับไป มันก็รู้ว่าสิ่งนี้ดับไปแล้วนี่ถ้ามีสติรู้รอบมันจะเป็นอย่างนี้แต่เราส่วนมากเราจะรู้ด้านเดียวรู้ต่อเมื่อมีสิ่งเกิดอันนี้กรณีพอจะมีสตินะแต่คนที่ไม่มีสติไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวเกิดก็ไม่รู้ดับแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่า ง, งแต่ถ้ามีสติเอา้ามันเกิดขึ้นก็รู้มันดับไปแล้วก็รู้จะให้ยกตัวอย่างไหม <c oughs> ยกตัวอย่างหน่อยก็ได้ เอายมลองยกมืออย่างนี้แหละเอายกกันเนาะยกลองยกทุกคนยกดูสิยกจังหวะสิบสี่จังหวะก็ถูกเหมือนกันยกอย่างนี้เอายมลองยกสิบสี่จังหวะดูนะยกไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยตอนนี้เราต้องถามใครไหมว่ากําลังยกมืออยู่ไม่ต้องถามรู้เองรู้ตอนไหนอ่ะก็รู้ตอนกําลังยกนี่แหละยกเมื่อวานไม่เกี่ยวยกพรุ่งนี้ไม่เกี่ยวยกเมื่อตอนกลางวันก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่ว่ายกตอนนี้ คือรู้ตอนนี้รู้ใช่ไหมเออไม่ต้องถามใครทีนี้ลองหยุดสิหยุดหยุดยังอ่ะต้องถามใครไหมว่าหยุดแล้วไม่ต้องถามเคลื่อนก็รู้หยุดละ่ะเป็นไงรู้ได้ไหมรู้ได้รอบไหมรอบเคลื่อนคืออ่ามันเกิดเกิดการเคลื่อนใช่ไหมไหวๆพอหยุดก็คือความไหวไม่มีก็คือหยุด เพราะนั้นมันจะรู้รอบได้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นี่เรื่องของกายนะเวลาโยมเดินจงกรมเวลาเดินโยมก็รู้เวลาหยุดรู้ได้ไหมก็รู้ได้จะนั่งจะนอนเนี่ยรู้ได้หมดเวลาโยมหายใจหายใจเข้าหายใจออกรู้ได้ไหมถ้ามีสตินะดูมันก็จะรู้ว่าอ๋ อ, อมันหายใจเข้าออกเข้าออกเล้วเวลาหายใจไม่ออกรู้ได้ไหมลองทาดูก็ได้ หายใจบ้างหยุดหายใจบ้างเดี๋ยวมันสติมันก็เกิดอ่ะสติมันก็จะตามเห็นขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจใช่ไหมมันเห็นหมดแหละเอาเรื่องความคิดออกเรื่องความคิดนิดหนึ่งถึงแม้ว่าจะดูยากแต่วันนี้จะให้โยมดูอย่างง่ายๆก็ได้ให้โยมเจตนาคิดในใจขึ้นมาก่อนคิดอะไรก็ได้ในใจคิดพุทโธก็ได้ อะไรก็ได้นับหนึ่งสองสามก็ได้คิดในคำที่มันเป็นกลางๆไว้ก่อนที่มันไม่มีความหมายในทางในทางที่จะให้เกิดความาความโลภความโกรธความหลงคิดพุดโทโธพุโทโธแล้วยมหยุดสิรู้ได้ไหมว่าหยุดแล้วเอาแล้วก็คิดขึ้นใหม่คิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดเร็วก็ได้คิดช้าก็ได้มันรู้หมดแหละแล้วก็ลองหยุด สั้นๆแล้วก็จะรู้ได้ว่าเอา้าคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้อันนี้เราเจตนาคิดนะเมื่อก่อนเราเราไม่ได้สังเกตหรอกเราคิดคิดว่าคนนั้นคนนี้โอ้คิดเป็นเรื่องเป็นยาวเป็นสองสามนาทีห้านาทีไม่เคยรู้ถ้ายมรู้จักความคิดต่อไปโยมอาจจะรู้เร็วขึ้นก็ได้คิดปป๊บรู้ปุ๊บก็ได้เนาะสูตรนี้อัตามาก็ใช้เหมือนกันนะหัดเล่นของตัวเองไปบอกเอ้ะทาไมเขาท่องพุทธกันบางสํานัก ลรลองท่องพุทธโทดทธดูพุทธโธพุทโธอ๋อมันก็เกิดภาวะตัวรู้ขึ้นมาภาวะตัวรู้ตัวเห็นเห็นอะไรก็เห็นคำบริกรรมเห็นความคิดตัวพุทธโธก็ตัวหนึ่งไอตัวไปเห็นพุทธโธก็ตัวหนึ่งหรือตัวนับหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามก็เป็นความคิดแต่ตัวเห็นมันก็เห็นอยู่ว่ากําลังคิดหนึ่งสองสามอยู่แล้ว ในล่องของการคิดเช่นคิดหนึ่งสองมันก็เห็นอีกนะคิดหนึ่งก็เห็นเวลามันหยุดเนี่ยก็ยังเห็นคิดสองก็เห็นอีกแล้วพอหยุดก็เห็นอีกเพราะฉะนั้นมันเห็นรอบขณะ ท, ที่มันคิดก็รู้ขณะ ท, ที่มันหยุดคิดช่องสั้นๆเนี่ยก็รู้เนาะแล้วเวลาโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยกายเคลื่อนไหวให้ใจรู้เนี่ยโยมก็สามารถที่จะรู้กายเคลื่อนไหวแน่นอนอยู่แล้วเพราะมีเจตนารู้อยู่ แต่ถ้าเราเห็นความคิดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้าวกายเคลื่อนไหวมันก็ส่วนหนึ่งนะกอ็ใช่ไหมกายเคลื่อนไหวคือเรื่องของกายมันเคลื่อนมันไหวมันตึงมันปวดมันเมื่อยมันร้อนอ้าวไอ้นั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ไอาตัวคิดเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งคนละเรื่องกันเลยตัวคิดเนี่ยมันอีกอันนึงมันไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หนาวไม่ใช่เคลื่อนไม่ใช่ปวดไม่ใช่เมื่อยแต่มันเป็นตัวคิดอ้าวเราก็สามารถแยกได้ว่าเอ้าวกายก็อย่างหนึ่ง ความคิดก็อย่างหนึ่งเนาะทีนี้แค่นี้ไม่พอโยมสามารถที่จะเห็นอารมณ์ทางใจอย่างอื่นได้เช่นโยมปฏิบัติระหว่างกลางวันเนี่ยบางคนอาจจะไม่สังเกตโยมก็เดินไปแหละเดินไปเดินมาไอ้ที่เคลื่อนไหวก็อย่างหนึ่งไอ้ตัวเมื่อยอะ่ะคิดว่าทุกคนคงมีอ่ะเนาะความปวดความเมื่อยอะ่ะความเมื่อยมันก็อย่างนึงความตึงก็อย่างหนึ่งแล้วไอ้ตัวที่คิดอะ่ะโยมคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงอะไรสารพัดอะ่ะ มันก็ไม่ใช่ตัวเมื่อยไม่ใช่ตัวปวดไม่ใช่ตัวเดินใช่ไหมมันคนละส่วนแล้วเพราะฉะนั้นกายเราเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนเดียวแล้วจริงๆมันก็มีห้าส่วนเนาะมีขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยก็สามารถเห็นขันได้แต่พวกนี้จะต้องไปเกี่ยวข้องกับทางปริยัตินิดนึงนะถ้าเราไม่รู้ปริยัติเราเห็นมันแล้วแต่ก็ไม่รู้จกัก อ, อแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ปริยัติก็ไม่ต้องรู้เยอะหรอก มาที่นี่นะฝึกเรื่องความรู้สึกตัวเขาเรียกชื่ออะไรก็ช่างหัวไปก่อนไม่ต้องรู้จักชื่อหรอกเอาแค่รู้สึกตัวอยู่นะรู้สึกตัวตัวที่มันมีอยู่กําลังเดินกําลังเคลื่อนกําลังนั่งอะไรก็แล้วแต่รู้สึกใจอารมณ์ทางใจเช่นความคิดความเบือ่อความเซ็งความขี้เกียจวันนี้มีใครขี้เกียจบ้างก็คงรู้กันไปแล้วนะคนไหนไม่ขี้เกียจก็คงรู้กันไปแล้วคนไหนจิตมีความสงบก็คงรู้กันไปแล้ว คนไหนแบบไม่สงบเลยโอ้ยเบื่อมากอยากกลับบ้านแล้วก็รู้กันไปแล้วของใครของมันรู้ใครรู้มันเนาะแล้วโยมอย่าเพิ่งท้อเพราะอะไรเราปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะเห็นธรรมเพื่อจะเข้าใจธรรมะจริงๆอะธรรมะมันแสดงตัวให้เราดูอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วที่โยมวันเนี้ยที่เข้าคอร์สเนี่ยที่มันผ่านมาไปแล้วที่มันผ่านไปแล้วที่มันเกิดขึ้นน่นะ นั่นแหละสภาวะธรรมทั้งนั้นแหละเราอยากปฏิบัติธรรมอยากเห็นธรรมอยากรู้ธรรมก็ดูตรงนั้นแหละรู้ตรงนั้นแหละความขี้เกียจก็เป็นธรรมะความขยันก็เป็นธรรมะความเบื่อก็เป็นธรรมะความเซ็งก็เป็นธรรมะความคิดอารมณ์ทั้งหลายเป็นธรรมะทั้งหมดเรียนรู้มันเห็นการเกิดของมันเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้ถ้าเราขี้เกียจซะก่อนเช่นพอปฏิบัติไปมันง่วงมันเบือ่อแล้วก็อยากเลิกพอเลิก หรือเราเลิกเสร็จแล้วเราก็ไปนอนไปหลับยมดูสิเวลาเราหลับอะเรารู้อะไรได้บ้างไม่รู้เลยขณะหลับนะจิตไม่รับรู้อะไรหลับไม่รู้อะไรเป็นไสยศาสตร์แต่ถ้าทางพุทธศาสตร์ต้องจิตตื่นรู้จิตตื่นรู้อารมณ์อยู่ก็มันตื่นรู้อะไรก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนะแล้วก็จะเห็นความจริง การเห็นความจริงตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของขั้นการเดินปัญญาพอเห็นความจริงของมันคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปอะไรประมาณอย่างนี้หรือว่าสิ่งนี้เกิดแล้วสิ่งนี้ก็ดับไปหายไปอย่างช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยโยมดูสิกับตอนเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกลางวันเนี่ยมันไม่มีแล้วมันดับไปหมดแล้วเหลือแค่ความจําได้เฉยๆว่าอ๋อระหว่างกลางวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราจําได้ แต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะหาได้อีกแล้วมันไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกแล้วไปแล้วไปรับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดใหม่ก็คือตอนเนี้ยกําลังเกิดตอนเนี้ยแล้วมันก็กําลังดับตอนนี้ด้วยซ้ำเกิดแล้วก็ดับตอนนี้เดี๋ยวนี้อนาคตก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดใจในอดีตเด้อนะฟูดทางอีสานแล้วอย่าไปติดใจในอดีตเพราะอดีตเนี่ยมันดับไปแล้วไม่มีเหลือไม่มีหรอก มีแค่ความจําได้แล้วก็คิดไปผสมลงขึ้นมาสร้างเรื่องสร้างละครใหม่ขึ้นมาจริงๆไม่มีถึงคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วมันไม่มีจริงๆนะสิ่งที่อนาคตก็ยังไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอจะรู้ได้ก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะชัดๆเลยเนี่ยกําลังได้ยินนะมองเห็นอยู่นี่ก็เป็นปัจจุบันกําลังได้ยินก็ปัจจุบันกําลังไหวๆอยู่ก็ปัจจุบันนะกําลัง อะไรเกิดขึ้นในร่างกายทั้งหมดเนี้ยปัจจุบันรู้แค่นี้พอรู้แค่ปัจจุบันนะก็วันนี้เห็นว่าสมควรกับเวลาอาตมาก็พูดไปเรื่อยะนะแต่พูดสภาวธรรมทั้งนั้นแหละเนาะก็คงน่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้พวกเรา ล, ลึกนึกได้ว่าเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรนะก็สรุปอีกทีนึงก็คือเรียนเรื่องกายเรื่องใจให้รู้ถึง อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเรานี่แหละในกายในใจของใครของมันนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเนี่ยโยมจะเห็นหรือไม่เห็นจะรู้หรือไม่รู้มันต้องดับอยู่แล้วนะเพราะกฎของมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นก็คือมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์คือมันไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้นานมันจะต้องแตกสลายทําลายดับไปคือมันต้องดับไป E. นี่ตรงนี้ก็เป็นทุกข์แล้วก็ที่มันเป็นที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะสั่งมันได้ไม่สามารถจะบังคับมันได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นร่างกายต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจต้องเป็นอย่างนั้นนะตายต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องสั่งอย่างนั้นสั่งไม่ได้หรือจิตใจต้องสั่งให้มีความสุขอย่ามีความทุกข์ให้มีความสุขตลอดไปสั่งให้สมที่เราต้องการเนี่ยความประรานะของเรายังไงก็สั่งไม่ได้อันใดที่สั่งไม่ได้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ บังคับบัญชามันไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมโยมไม่ต้องไปอยากอะไรทั้งหมดเลยแค่รู้ความจริงนะแค่รู้ความจริงสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะหมดความอยากหมดความอยากก็คือไม่มีตัณหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่รู้ความจริงโดยไม่มีความอยากเนี่ยจริงๆมันก็คือนิโรธอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นโยมเนี่ยให้รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรู้อย่างเดียว สักแต่รู้สักแต่เห็นรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวแต่ถ้ามันเผลอไปคิดรู้ทันวางลงรู้ทันวางลงถ้ารู้ไม่ทันก็แล้วไปรู้ทันเมื่อไหร่ก็มันก็หยุดตรงนั้นไปแล้วมันก็จะรู้จบรู้จบไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาก็เดี๋ยวก็กลาบพาพร้อมกัน